ในสมัยพุทธกาลนะมีหมอท่านหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นหมอเทวดานะคือหมอชีวกะกะกะมรพัชอันนี้คนที่เรียนแพทย์แผนไทยนี่นะต้องรู้จักกันทุกคนนะหมอชีวกะกะกกมรพัฒนี่ก็เป็นหมอประจำตัวของพระพุทธเจ้าประวัติก็น่าสนใจ เ, เฉพาะที่ย่อๆคือว่าเนี่ยท่านเคยไปเรียนวิชาแพทย์นะ จากอาจารย์ที่สาปาโมกที่เมืองตักกศิลาตักกศิลานี่ก็เป็นเมืองที่เราได้ยินบ่อยนะในนิทานชาดกมีจริงนะอยู่ที่อัฟกานิสถานหมอชีวกเนี่ยซึ่งนราเป็นนักศึกษาก็เรียนอยู่หลายปีจนถึงปีที่7ก็สงสัยว่าตัวเองเนี่ยยังต้องเรียนอะไรอีกหรือเปล่าเรียนจบหรื อ, อยัง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 เป็นข้อสอบนะที่เรียกว่ามีข้อเดียวนะแต่ก็ยากทีเดียวนะเพราะต้องสำรวจหมดเลยนะหมอชีวกก็ใช้เวลาอยู่นานสุดท้ายก็มารายงานกับอาจารย์ว่าไม่มีอะไรเลยที่ใช้เป็นยาไม่ได้อ น, นี่ก็รวมไปถึงพวกวัชพืชนะหรือว่าพืชที่มีพิษนะ พวกหมามุ่ยดอกอุติปทั้งหลายนี่มีประโยชน์หมดนะรวมทั้งยาคาหมออาจารย์ก็เลยบอกว่างั้นเธอก็สำเร็จการศึกษาแล้วนะให้กลับบ้านได้นะ น, น, นี้น่าสนใจนะว่าในบรรดาพืชพันธ์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะที่ไม่มีประโยชน์ทำเป็นยาไม่ได้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 แล้วก็ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราแม้หลายเหตุการณ์เราจะไม่ชอบนะแต่ว่ามองดูดีๆนะหรือถ้าใช้ให้เป็นเนี่ยมันมีประโยชน์เงินหายนะโทรศัพท์หายมันไม่ได้หมายถึงความสูญเสียอย่างเดียวแต่ว่าเราอาจจะได้จากเหตุการณ์นั้นก็ได้เช่นทำให้เรารู้จักไม่ประมาทนะ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 ไม่ได้สอนโดยตรงนะแต่ว่ากระตุ้นเตือนให้เราปรับเปลี่ยนการดาเนินชีวิตนะกินให้ถูกต้องนะรู้จักพักผ่อนรวมทั้งรู้จักลดความเครียดด้วยนะความเครียกก็ทำให้เจ็บป่วยได้ไอ้นี่พอเราปรับเปลี่ยนชีวิตแล้วเนี่ยมันทำให้เรามีชีวิตที่ไม่ใช่แค่ปกติสุขทนั้นนะแต่ว่ามีความสุขได้ง่ายขึ้น เรียกว่าทำให้ชีวเรานี่รุ่มรวยมากขึ้นก็ได้มีคนหนึ่งเนี่ยเป็นโรคหัวใจนะแล้วก็พยายามที่จะรักษาโรคนี้ขนาดอดอาหาราควบคุมอาหารลดการกินไขมันกินน้ำตาลกินเนื้ออาการก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่จนกระทั่งก็บพบ ว, ว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเป็นโรคหัวใจก็คือการอยู่อย่างโดดเดี่ยว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 มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับแกก็ทำให้แกเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนชีวิตแล้วก็ได้เปิดใจเข้าหาผู้คนนะสุขภาพกายไม่ได้ดีอย่างเดียวสุขภาพใจก็ดีขึ้นกว่ากว่าก่อนที่เป็นโรคหัวใจด้วยนะนะลองดูดีดนะทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งนั้นแม้กระทั่งความรู้สึกเจ็บปวดนะก็มีประโยชน์นะมันมีคนในโลกนี้นะประมาณสักเป็นร้อยนะหลายร้อยทีเดียวที่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 กดไม่ใช่กดน้อยๆ น, นะบางคนนี่หายไปถึงหนึ่งในสามเพราะอะไรนะเพราะเวลากัดลิ้นเนี่ยมันไม่เจ็บเนี่ยเวลาเคี้ยวข้าวเผือกัดลิ้นมันไม่เจ็บก็เลยกัดหนักเข้าคนเราเนี่ยเวลาเรากัดลิ้นเนี่ยนะแม้ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยแต่พอเจ็บเนี่ยมันหยุดเลยนะหรือเวลาเราไปเหยียบน้ําเหยียบแก้วเนี่ยเหยียบ แค่สัมผัสนิดหน่อ ย, เ, ยเราก็รู้สึกเจ็บแนละ้วพอเราเจ็บเราก็ยั้งเท้าแต่เด็กกลุ่มนี้ไม่รู้จักยั้งเท้านะ mm hmm. เหยียบเข้าไปเต็มที่ mm hmm. เวลาขีม่มอเตอร์ไซค์เนี่ยขาเนี่ยไปถูกไปถูกความร้อนจากอ้ท่อไอเสียเนี่ยก็แช่ไว้อย่างงั้นแหละจกนกระทั้งได้กลิ่นไหม้นะกลิ่นไหมจากขาตัวเองเนี่ยถึงค่อยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แล้พอมีแผลนะก็ไม่เยียวยารักษานะเพราะมันไม่เจ็บเนี่ยเวลามือเจ็บนะมือบวมก็ไม่รู้จักถนอมมือก็ใช้มือจนไม่บรรยบัญญังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็เลยมีแผลเต็มตัวนะก็เลยอายุสั้นนะเพราะว่าไม่รักษานะแล้วก็ไม่บรรยบัญญัง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 นะตัวเกลียดตัวเกลียดนี่ก็ใช่ว่าหลังเกลียดนะหรือขยกขยแยงตัวกลัวนะตัวเศร้าแล้วก็ตัวสุขหรือลัลลานะแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยก็อยากจะให้มีแค่ตัวเดียวนะคือตัวลัลลาหรือตัวสุขนะแล้วคนเดียวนี้นี่ก็ปรารถนาความสุขนะอยากจะแสวงหาความสุขอยากจะให้มันมีอยู่กับเราทั้งวันทั้งคืน ไม่อยากมีเลยนะไอ้โกรธเกลียดกลัวหรือว่ายิ่งความเศร้าเนี่ยนะซึ่งเป็นตัวสุดท้ายเนี่ยยิ่งไม่อยากให้มาเกี่ยวข้องกับเราเลยแต่กระตูลเรื่องนี้นี่เขาชี้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่ตัวลัลลานะที่มีประโยชน์นะไอ้ตัวอื่นก็มีประโยชน์เหมือนกันความโกรธก็ช่วยทำให้เราตอบโต้เวลาถูกแกล้งหรือว่ า, าถูกกระทา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 ตัวละครในเรื่องนี้เป็นเด็กอายุสิบสองเนี่ยนะซึ่งอยากจะมีชีวิตแบบล้นลา่าไม่ชอบเลยความเศร้าแต่สุดท้ายก็เห็นเลยนะว่าความเศร้ามีประโยชน์นะมันทำให้คนเนี่ยมาให้กำลังใจเรานะมาช่วยเหลือเราทำให้รู้สึกอบอุ่นความเศร้าวความเสียใจก็ทำให้เราไม่ทำสิ่งที่ผิดพลาดทำไปแล้วนี่ก็แก้ตัวได้นะ จนเนี่ยวจากบ้านก็รู้สึกเสียใจมันเตือนให้กลับมาดีกว่านะกลับมาหาพ่อแม่ยิ่งความเศร้านี้ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะนอกจากที่ที่เล่ามาเช่นมันทําใหเา้เรารู้จักเห็นใจผู้อื่นคนเราถ้าไม่มีความเศร้านะก็ไม่รู้ไม่รู้จักเข้าใจนะว่าคนเศร้าคนทุกข์ก็เป็นอย่างไรเมื่อเราเศร้าเราก็เห็นใจคนอื่นได้ง่ายเห็นใจคนอื่นได้เป็นแล้วจริงๆคนเราเนี่ย นะมาเป็นหนึ่งเดียวกันก็เพราความเศร้าเป็นตัวประสานก็เยอะนะอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยมันมีเหตุการณ์ระเบิดที่กรุงปารีสคนตายก็ร้อยกว่าคนนะร้0ยยีคนไอ้ความเศร้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันผนึกประสานคนฝรั่งเศสให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งประเทศเลยแล้วมันใช่มันไม่ใช่แต่คนฝรั่งเศสนะคนทั้งโลกนะ ใจนี่เป็นหนึ่งเดียวกันเลยเพราะว่าความเศร้าความสงสารความเห็นใจนะชาวฝรั่งเศสมันทำให้โลกทั้งโลนี้นะผนึกเป็นหนึ่งเดียวกันนะก็มากับตอนที่เกิดระเบิดที่สามพระพรมนะคนไทยก็ประสานกันเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นอรวมไปถึงคนในประเทศต่างๆด้วยถ้าคนเรานี่รวมกันได้เนี่ย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 ทำให้เรารู้จักปรับปรุงตัวเองเช่นเจอความล้มเหลวเราก็ได้เรียนรู้จักความล้มเหลวว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำนะคนเราเรียนรู้จากความล้มเหลวได้มากกว่าความสำเร็จนะความสำเร็จเราพอเกิดขึ้นเราก็ดีใจแล้วเราก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรแต่ความล้มเหลวมันทำให้เรารู้ว่าอะไรที่ไม่ควรทำนะอันนี้เรียกว่าเป็นประโยชน์ทางโลกนะเพราะว่ามันสามารถจะนาพาไปสู่ความสาเร็จได้ ความสำเร็จยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นจากคนที่ผ่านความล้มเหลวมาก่อนอันนี้มันยังมีประโยชน์ทางธรรมด้วยนะประโยชน์ทางธรรมอย่างเช่นง่ายๆเนี่ยความเจ็บป่วยก็ทําให้หลายคนหันมาสนใจธรรมะนะโดยพอเจอโรคร้ายนะเช่นมะเร็งโรคหัวใจเนี่ยก็ทําให้หลายคนเข้ามาหาธรรมะเพราะกลัวตายนั่นแหละนะแล้วก็เชื่อว่าธรรมะนี่ช่วยรักษาใจไม่ให้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 พิปัสสนาที่มีชื่อเสียงมากทั้งที่พื้นเพยเป็นคนทินดูแต่มาเข้าหาสมาทานพุทธศาสนาก็เพราะโรคเพราะความป่วยบางคนนะธุรกิจลม้มละลายเป็นหนี้สินร้อยล้านพันล้านกลุ้มใจเครียดนะไม่รู้ทําไงก็ลองมาปฏิบัติธรรมดูก็พบธรรมะนะขอบคุณนะขอบคุณที่ลม้มละลายขอบคุณที่ เป็นนี่เป็นศีลเพราะถ้าไม่เป็นนี่เป็นศีลก็ไม่มีทางได้เจอกับธรรมะอันเป็นของประเสริฐ น, นี่คือเหตุการณ์นะเหตุการณ์ลบที่มันมีประโยชน์ในทางธรรมนะไม่ใช่แค่ประโยชน์ทางโลกสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเราก็เหมือนกันนะก็มีประโยชน์ทางธรรมได้เหมือนกันนะให้ตัวความเศร้าความโกรธความเกลียดนะมันมีประโยชนนะ์ประโยชน์อย่างหนึ่งนะก็คือมัน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 มันทำให้มีความสงบเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าเกิดเราหลับตาให้ความสงบก็ดีนะมีประโยชน์แต่ว่ามันก็เป็นกับดักเหมือนกันว่าทาให้คนเนี่ยติดในความสงบแล้วก็เลยหลงเลยนะหลงเพลินกับความสงบแล้วพอเพลิกับความสงบนะพอเสิงว่าร้อไม่สงบนะพอเสียงดังมีเสียงดังมีคนคุยกันก็ไม่ได้รบกวนอะไรมากนะแต่ว่าจะโกรธได้ง่ายจะหงุดหงิดได้ง่าย คนที่ติดสงบเนี่ยจะหงุดหงิดได้ง่ายนะอารมณ์เสียได้ง่ายอันนี้เจอบ่อยนะหลายคนที่มีพี่น้องหรือว่าลูกเนี่ยหรือบางทีพ่อแม่นี่นะไปไปเข้ากรรมฐานนะแล้วก็เกิดได้พบความสงบและติดใจในความสงบขึ้นมาพออยู่บ้านเนี่ยอยู่ที่ทำงานเนี่ยจะหงุดหงิดง่าย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 ลดการพูดคุยกันเพราะการใช้โทรศัพท์หรือว่าการพูดคุ ย, ยมันกระตุ้นให้เกิดความฟุง้งซ่านง่ายๆจกนกระทั่งสติเราจะเติบโตช้าแต่ถ้าพอมีความฟุ้งซ่านพอประมาณนะตามธรรมชาตินิสัยของเรานมันก็ฝึกสติได้ความฟุ้งซ่านก็ดีหรือนิวร์เนี่ยนะมันสอนให้สติของเราเนี่ยรวดเร็วฉับไว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 เพราะนั่นจะกลายเป็นการซ้าเติมตัวเองเครียดนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่พอไปโมโหไปเกลียดความเครียดเนี่ยมันหนักเลยนะความทุกข์นี่มันคูณ2คูณสาเลยแต่ถ้าเครียดเนี่ยแล้วก็ดูเห็นความเครียดนะเออมันจะสอนเราและที่จริงเนี่ยทุกอารมณ์นะรวมทั้งนิวร น, นะความง่วงนะความหงุดหงิดความเรื้อรําคานความฟุง้งซ่าน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 มันไม่สามารถทนอยู่ได้มันได้นานในสุดมันก็เสื่อมไปดับไปก็คือมันสอนเรื่องอนิจจังทุกคังอนัตตานั่นเองนะอารมณ์พวกนี้เขามาสอนทําให้กับเราทุกครั้งนะที่เขาปรากฏนะแต่ถ้าเราไปหงดหยุดทัวเสียหรือไปทุกหรือไปไปจมอยู่ในอารมณ์นั้นเราไม่เห็นนะเขาจะสอนทำให้เราได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูถ้าเราไม่ใช่ผู้ดูผู้รู้ ผู้เห็นนะไปเข้าไปเป็นนะเราก็จะทุกข์นะแต่ถ้าเราเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นเราจะเป็นผู้รู้ตามมารู้ในที่นี้เนี่ยไม่ใช่แค่รู้ว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นหรือรู้ตัวว่าเรากำลังโกรธว่าเรากำลังโมโหกาลังเครียดแต่ยังรวมถึงรู้ทมด้วยนะอย่างที่พูดไปเมื่อวานเราจะรู้ทมได้เนี่ยก็เพราะจากการที่เรา ดูเห็นอารมณ์เหล่านี้นะทีแรกเห็นว่ามันเกิดขึ้นระดับไปต่อไปก็เห็นธรรมชาติของมันลักษณะนิสัยของมันอันที่เราไต่ลักเนี่ยไต่ลักคือลักษณะสามประการของสรรพรสิ่งนะก็คืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีธรรมชาติมันมีลักษณะนะหลากหลายนะเยอะแยะไปหมดแต่เพียงแค่เราเห็น ลักษณะแค่สามเท่านั้นแหละมันพอละพอที่จะช่วยทําให้เราพ้นทุกได้ช่วยทําให้จิตเราเป็นอิสระได้คําสอนของพรุทธเจ้าเนี่ยมีมากมายนะพระุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับใบไม้ในกํามือใบไม้ในป่าส่วนความรู้ที่พระุทธเจ้าสอนเนี่ยมีไม่มากนะเปรียบเหมือนกับใบไม้ในกํามือนะใบไม้ในกํามือนี่มันน้อยมากเมื่อเทียบกับใบไม้ในป่านะเราไม่ต้องรู้อะไรมากนะรู้แค่หลักๆ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 อยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้จากเขาหรือเปล่าความง่วงนะความเบือ่อนะความหงุดหงิดนะความฟุ้งซ่านผู้นี้จะไปเกลียดเขานะอย่าไปรังเกียจเขาอยาไปอยไปต่อสู้ผักไสนะถ้าเราทําอย่างนั้นเนี่ยเราจะเสียท่ายิ่งผลักไสก็ยิ่งจมหายเข้าไปเรียกว่ายิ่งต่อยิ่งผลักไสยิ่งยึดติดนะเมื่อเข้ามานะ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 หน้าพึงพอใจก็ไม่ใช่ไปไขว่คว้าหลงไหลนะแค่ดูเฉยเฉยไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามองว่าเข้ามาเพื่อให้เรารู้เข้ามาเพื่อสอนธรรมเนี่ยนะเราจะได้ประโยชน์มากหน้าที่เราก็เพียงแค่ดูเฉยเฉยนะพเจา้าเปลี่ยนเหมือนกับว่าอยู่บนหอคอยแล้วก็ดูลำธารที่ไหลนะ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 ก็คือทุกเนี่ยผู้เจ้าสอนว่าทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้หรือกําหนดรู้ท่านใช้คำปริญญาณนะปริญญานะีญญานน่มันก็หมายถึงความรู้นั่นแหละทุกไม่ใช่สิ่งที่ต้องละนะสิ่งที่ต้องละคือสมุทยัยนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยพอเห็นทุกจะเข้าไปละเลยพอจะเข้าไปละไปสู้กับมันนะถูกมันดูดถูกมันกลืนไปเลยนะกลายเป็นพูดทุกไปเลยอันนี้เรียกว่าเข้าไปเป็นละ แต่ถ้าหากว่าเราเกี่ยวข้องกับทุกข์นะคือเห็นกําหนดรู้หรือว่าดูมันเราก็จะเกิดปัญญาเราก็จะรู้ว่าอ๋อทุกข์มันเกิดจากอะไรนั่นคือเห็นสมุทยัยแล้วก็ไปจัดการกับสมุทัยนั้นมันก็จะเกิดนิโรธนะคือความพ้นทุกข์นะนั้นทุกข์เนี่ยมันเป็นประตูไปสู่ธรรมะหรืออริยสัจเนี่ยอีก3าข้อได้ถ้าเราเกี่ยวข้องเป็น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 น ะ, จะเจริญองค์มรรคอย่างไรนะถึงจะทําให้ความพน้นทุกข์มันเกิดขึ้นได้เพื่อให้เราตระหนักนะว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราทั้งภายนอกและภายใ น, นยมันมีประโยชน์ทั้งนั้นนะความฟุ้งซ่านความอารมณ์ต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาเนี่ยเกี่ยวข้องกับมันให้เป็นอย่าไปรังเกียจมันอย่าไปโกรธมันนะดูมันนะให้ถือว่าเข้ามาเพื่อฝึก เพื่อสอนให้เรามีสติรวดเร็วฉับไวและมาสอนให้เราเกิดปัญญาด้วยอ้าวชาเนีลพูดกับเท่านี้นะอ้าวครับ